คนอยู่เนี่ยสู้เพื่อแพ้แล้วสู้เพื่อชนะชนะสู้เพื่อชนะอันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องให้มันคิดจะไปห้ามมันไม่ได้ผมคิดมันนี่คิดแล้วก็ยินงรู้เหมือนฝันนักมวยะเรายิ่งซกบ่อยๆเราก็ต้องรู้จากวิธีสู้ความคิดก็เหมือนกันมันนี่คิดบ่อยๆมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันโอ้มันคิดเป็นอย่างนีู้อย่าไปห้ามมันดีแล้วคุณที่คุณว่ามันคิดงงง่าน่ะ คุณรู้แล้วแต่คุณยังไม่เข้าใจปัดมันนะครับเือเพราะวราต้องการทนมันเลยครับคือตอนนั้นเรากำลังนอนเข้านอนต้องการให้มันหลับและไม่ต้องการให้มันคิดทำามมันถึงคิดเหมือนกับการคือต้องการหลับนหมือนกลางวันกลางวันเนี่ยคุณต้องคิดทําการทํางานคิดนั้นคิดนี้กลางคืนคุณไม่มีสติคุณนอนหลับมันก็ต้องคิดมันก็ต้องฟันเมื่อฟันมันแล้มัน มันผวาขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งอุปสรรคกับคุณคือคุณกําลังจะทำงานอะไรมันต้องลงแรงลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะงานต้องลงกําลังลงแรงอันนี้เมืเ่อไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องผวาขึ้นมาอันนี้จะว่าให้เห็นความคิดให้เห็นความคิดมันชิดขึ้นมาเราเห็นเราตัดมันได้ปัดมันเทิ้ง ไม่ต้องภาวานาพุโทโธธรรมโมอรหังของยุบอะไรอย่างที่พูดแล้วอย่างที่เขาถามเนี่ยลมหายใจมันโกผคนไปไหมมันไม่โผล่คมคิดมันโผล่อันนี้เขาเหมือนกันไม่ต้องไปดูลมหายใจคอดูคลมคิดเราเพียงมีสติไปไหนมาไหนมีสติก็ดูมันคิดขึ้นมาแล้วก็ปัดทิ้งทันทีปัดบ่อยๆคลมคิดมันจะเลวขึ้นเลวขึ้นเหมือนเมวกับหนู สมมุตินะความคิดของเราทีแรกมันจะคิดไปยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวเรารู้เราเข้าไปในความคิดเมื่อเรารู้แล้วความคิดมันหยุดเองบบบ น, นี้เราต้องพยายามดูมันพอดีมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเล็กน้อยมันก็หายไปมันจะสั้นเข้าสั้นเข้ามันเป็นวิธีบวกกับลบทีแรกมันต้องบวกเข้าไปแบบ น, นี้เราต้องลบออกไป เพราะคุณมันคิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาสะสมผมคิดนะมันต้องเป็นเรื่องระดับวันนี้เราพยายามตัดผมิดมาเมื่อคิดร้อยเรื่องเราจะตัดให้มันได้เก้าสิบเก้าเรื่องก็ไม่ถึงร้อยแล้วนะวัี้มันคิดมาเก้าสิบเก้าเรื่องแล้วตัดเข้ามาอีกได้จากสองเรื่องหรือได้จากสิบเรื่องได้แปดสิบเนี่ยวันนี้มันคิดเข้ามาตัดเข้ามามันก็จะเหลือเจ็ดสิบมันคิดเข้ามามันจะเหลือห้าสิบมันคิดเข้ามามันตัดเข้ามาเข้ามาจนนั้นมันคิด ปุ๊บพัปั๊บเหมือนแมวกับหนูแมวเคยกลัวหนูไหมคุเห็นแมวมันเคยกลัวหนูหนูตัวโตกลัวไหมอ๋อ <c oughs> ม่มันไม่เคยกลัวหนูแมวนี่ไม่เคยกลัวเลยแมตัวเล็กๆมันก็ไม่เคยกลัวเนี่ยแมวตัวเล็กมันไม่เคยกลัวหนูเหมือนกันตัวเล็กๆนะคุณนะตัวเล็กๆหมายถึงนะสติแล้นะสมมตินะโดนจับปุ๊บหนูมันตัวแรงมันวิ่งเต็มที หนูมันวิ่งไปแมวมันไม่ยอมวางมันติบหนูไปเนยแล้วก็ปล่อยปล่อยหนูไปอันนี้ก็เหมือนกันคุณที่แรกวันนี้แมวมันต้องให้อาหารเราต้องมอัจะไปติบมันมันแมวจับหนูเนี่ยไม่ต้องพูดเลยต้องให้อาหารแมวให้มันทุกวั น, ท, วนทุกวันตัวแมวมันโตขึ้นมาหนูก็โตขึ้นมาพอดีหนูออกมาแมวจับปุ๊บย่างแรงหนูก็เลยสตัตายคือองคมคิดของเราเนี่ย อันนั้นมันเป็นลักเลงโตนเป็นเสืออยู่แล้วมันเร็วว<ม>ันนี้เราพยายามฝึกกำลังแมวขึ้นมาหนูมันมันเคยไยนะหนูพอดีที่แจ้งมันอยู่ไปได้หนูมันอยู่ที่มืนแมวมันที่มืนมันซ่อนเห็นได้เดี๋ยวที่หนังสือเรื่นี้เนี่ยเอาคนไปปล่อยในที่มืดทาอะไรไม่ได้เอาแมวเข้าไปในที่มืดมันสามารถมองเห็นหนูจับหนูได้ สติเราก็เหมือนกันสติเรานี่ไม่เคยกลัวเลยคำว่าคำหลงนี่ไม่เคยมีหลงกับสติที่มันตรงกันข้าม น, นะเมื่อเรามีสติอยู่แล้วผมหลงไม่มีเห <c oughs> มือนไม่ยากอันนี้คือวิธีพูดง่ายๆการทำสบายๆพ <c oughs> อดีมันคิดปุ๊บัดปั๊บไปทําบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับให้อาหารแมวหนูออกม า, มาจับปุ๊บแต่ดีนูมันสับตาย พอดีจับเด็กหนูมันมันไม่กินแล้วมันอิ่มแล้วน่ะพอดีจับแมวปุ๊บเออแมวมันจับหนูปุ๊บจับแล้วมันหนูไปไม่ได้มันไปจับคาไปไววางไว้พอหนูกระดิกตัวแมวมันโดนจับอีกแล้วมันทําอย่างนั้นใช่ไหมเนยมันจับพอฟิตมันโยนคุ่อย่งนี้หนูมันตายต้องตายมันตกใจมันไม่เคยให้แมวจับเพราะว่าแมวกินหนูมันจึงไม่มีเลือดพอตะมาบอกว่ามันมีครูมันจะมีครูอะไรแมวมันจะมีเป็นมีคาถาบ่นอย่างไร มันตกใจมันซอกตายเลือดมันแข็งตัวมันก็เลยเสือกินมันขบปุ๊บมันกินทันทีเสือมันใจเล็แมวมันใจใจเย็นแมวมันเย็นแต่ก็ไปจับได้แล้วมันตอนจับโยนมันก็เลือดกแขวมันตายแล้วก็เลือดพราบเมื่อคนตายคนนี่ยเราตายแล้วนั้นนี่มันเย็นเลือดมันไม่ซิ่งอล้ก็เหอนว่ามันจับโยนประโยนมันโอ้เราไม่รู้พอรอให้ฟังจนมาเป็นเด็ก เมื่อมาที่จะนาดูเมื่อมารู้ธรรมะนี่แหละโอ้เรื่องสมมติมันก็จริงจริงโดยสมมติเพราะเราไม่รู้เราก็ต้องฟังอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องเจริญสติคุณจะไปเจริญอยจะไปอย่าไปดูลบหายใจคุณขยิบตาลู้ไหมเดี๋ยวนี้เอาขยิบตาพยายามให้มันรู้รู้ไหมขยิบตาลูไหม มันขยิบตาอยู่อนี้มาตลอดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆไปไม่ใช่ว่ามันขยิบแบบนี้นะแต่เราไม่เคยกําหนดมันเลยเรื่องสินี้นี่เราเราต้องพยายามให้มันรู้อันนี้แหละคุณแล้วมัในการเคลื่อนไหวเราก็รู้เดินไปเดินมาเราก็กรู้เมื่อมันรู้มันฝึกขัดผมรู้อันนี้ผมรู้อันนี้มันจะมากขึ้นมากผมไม่รู้ก็หายไปไายไปผมไม่รู้ว่าอะไรวิเชลงก็ได้นะว่าอาวิสาก็ได้ว่าลงก็ได้นะ วันนี้คนรู้นี่ว่าอะไรวิชาแต่ ว, ว่าพิษะว่าสปิก็กได้เลยเ <c oughs> นี่ยมันคำันคำันกันเป็นวิธีบวกกับลบอย่อยเนี่ยมันลบหนีไปเลยแต่ก่อเราไม่เคยรู้งนี่องเลยนี้เรามารู้แล้วนี่มันเป็นของง่ายที่สุดนี่ว่าการเจริญปัญญาเจริญวิปัสนานี่นิดเดียวเท่านั้นองถ้าเรารู้จากวิธีแล้วอย่างนั้นคือว่าเราจะเดินทางโค้งหรือเดินทางักหรือเราจะขึ้นเครื่องบินไปถ้าเราขึ้นเครื่องบินมากรับพวกโอ้มันเรื่องนิดเดียวนี่ เราเพียงกำหนดรู้ตัวเรามันคิดแล้ว ก, ก็รู้มันก็นมาที่เท่วนี้ไม่ต้องไปภาวนาผู้โถผูโถ้โทผู้โถมันก็จะไปดูลมหายใจมันมันยังไม่ได้ดูลมคิดตัวคนเกิดมาแล้วต้องตายอตมาก็เลยไม่กลัวตายเลยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ตัวอย่างเดียวขออยากให้ข้าพระเจ้าได้มาเกิดก็แล้วกัน<ม>นี่ยเข้าใจอย่างนี้อตมาเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ญาติโยมพระสงฆ์องค์ญาติจะเป็นยังไงไม่รู้ขออย่าให้ได้มาเกิดอก็แล้วกัน เกิดเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆแต่คนไม่รู้ทุกข์จึงเอาทุกข์เป็นเจ้าเลือดเอาทุกข์เป็นอาลกเมื่อเห็นทุกอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงตามความเป็นจริงเมื่อรู้และอาตมาก็มาสมมุติเอาเสื้อในร่อนพูกต้นนั้นบ้างตนนี้บ้างดึงถึงต้นตัดตรงกางตรตัดเสือกมันก็ไปติดต้นที่เสื้อไว้ติดต้นนั้นดึงเข้าหากันไม่ถึงเลย คุบาอาจารย์ท่านก็เลยมายกแหวนอัญช น, า, 12, า, ศ 11, น, 12, น 4, าศิษย์สองท่าศิษยแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยะสัตตีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอันนั้นอารมณ์ตำนานนะเทตมาพูดนี่คือเราลูจา่จักกิเลสอย่างหยางกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดลู่จักอดีตอนาคตปัจจุบันรู้อันนี้ไม่ใช่อดีตชาแล้วนะไม่ใช่อนาคตชัติหน้านะต้องรู้ปัจจุบันยิ่งไปสมกับเต้าหมายหรือคําพูดของพระพุทธเจ้าท่านสอนอรว่า ทั้งหลายคือเราตถาคตทั้งทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่นันทุกคนบัดนี้พระองค์รู้แล้วทั้งทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างลราตถาคตนี้แม้เราฟังได้แต่ไม่เข้าใจนี่คําพูดคํานี้มันเป็นสิที่สักสิทธิ์ขัง น่าคิดจริงๆตั้งใจขึ้นมาแล้จับต้าน้อมกับเม่เขียนพร้อมขันเดชสองคน เ, เอาปฏิบัติกร้อมมูดทันทีเลยพอดีมาถึงต้าน้อมลงน้อมให้ปฏิบัติเลยเอาจําเป็นเม่เตียนต้องปฏิบัติไม่ได้เมียเจ้าของเจ้าของต้องมีอำ น, นาะบังคับเลยเม่เตียนไม่สบายหลวงพ่อห น, นีไปแล้วเพราะทิศตายไปซอวะเจ้เสียนเขามาหลวงพ่อเรียกไปที่ไหนไม่บอกนะเขาว่าหลวงพ่อตาย ่เป็นอย่างนั้นก็ว่าหาว่าเมธีเนี่ยฆ่าลงไปทั้งข้อมเขาว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้พี่สายแตพี่สายคนนี้สําคัญก็เลยขึ้นมาการสอนเมธีเนี่ยก่อนหมู่ทั้งหมดเลยเพราะว่าพี่สาวไม่ไม่ทำอะไระจําเป็นเอาผู้เดียวสอนเลยสอนอยู่ในที่บ้านของเราสอนที่เฮือนเลยเนี่ยสอนคือว่าของดีมีแจกใครก่อนทีแรกแจกผู้ที่เราพอที่จะพูดได้แจกแจกว่าแจกเมียเราก่อนนะแก่ลูกแจกไม่ได้ เป็นหน้าที่ของแม่เขาผู้หญิงใกล้ลูกที่สุดบัด น, นี้ก็เลยมาสอนนี่พี่สายคนที่ว่าไม่รู้ส้นสนใจแต่โอ้โกรธเลยบัด น, นี้ลูกหลานตายบัดเนี้ยตอนเศ้ากขาพูดแล้วเรื่องหลานตายไม่ไปเนีอยตะมาไม่ไปมันตายแนละ้วจะได้ไปอะไรได้ประโยชน์อะไรเอาไปจูด เ, เราแม่ตายคนอื่นเขาก็จูดเอนพี่สายคนได้ยิ่งโกรธใหญ่เลยมันเป็นบ้าโอ้ยิงเรเป็นบ้า เพราะคนจํานวนเป็นลอยๆเราพูดไม่เหมือนเขาก็บ้าที่เราก็ต้องรับที่เราเป็นบ้าเราไม่รับใครจะรับได้นี่แหละบ้าต่างกันบ้านั้นบ้าไม่รู้อันนี้บ้ารู้มันเรื่องสมมุติเนี่ยคําพูดเนี่ยคําวาจาเนี่ยความนินทาการเล่ยคมสนเสริญเนี่ยเหมือนกับเทน้ำนะจะไปห้ามไม่เขาพูดไม่ได้อาตมาพยายามเอาเมียตัวเองพอที่จะเป็นเพื่อนเป็นคู่กันได้ เรองการปรึกษาหาหรือคุยกันได้ได้เลยได้เลยลูกก็จำจำเป็นมอบให้เขาเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดกับลูกให้เขาคุยกับลูกบัดนี้ก็มาทํากับเพื่อนพยายามเอาพิซายแบบนี้พิซายไม่เอาทั้งหมดเลยไม่เอาเลยบัด น, นี้มีพิซายกับน้องชายเขาเป็มีครอบครัวอยู่ทางแขนหลวงพระบายบัด น, นี้ก็ต้องหาวิธีเอาพี่ซายที่ได้ยินฆ่าหลวงพออ่อแล้วไม่เข้ามาโดยบ้านเลย เขากลัวเขาคือเขาไม่อยากเว้านำมันจะนั่งไปว่ารักกันหรือคนไม่มีธรรมะเนี่ยจะรักกันโดยไม่มัน่นคงคนมีธรรมะแล้วจะรักกันโดยมัน่นคงคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะมันรักกันอย่างนี้อาจามาเขาพูดเมื่อกี้นี่แหละคนไม่มีธรรมะอ้าน้องกันเนี่ยเปรียดได้พอดีมีธรรมะอาจจะมาพยายามพูดให้อายนอกก้องต้อคนรู้นธรรมะก็เลยเป็นการมัน่นคงไปที่ไหนก็คิดเห็กัน คนมีธรรมะแล้วจีวะถึงจะเกลียดตัง ก, กันก็น้อยที่สุดต้องคิดถึงกันคนไม่มีธรรมะไอ้นองทองเดียวกันคนอย่างเกลียดเนี่ยเป็นยางนะพยายามเราเราจะไปตอบเขาเราพยายามเขาเขาไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นจีอะพยายัยเขาบ้างคำว่าตอนนี้คนจะลงนะจะเตือนเอาไวา้เรื่องอาการเกิดดับมีความสำคัญ พอดีเรารู้จักลู ก, กน้ําพลิกมือขึ้นเป็นเกิดคว่ำมือลงเป็นดับมันจะเป็นอย่างนั้นนั้ตัวแตามาแต่คนอื่นก็คงจะไม่ไกลกันจึงว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตพอพระเจ้าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับพิษตาเป็นเกิดเป็นดับหายใจเป็นเกิดเป็นดับจิตใจนึกคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เป็นเกิดดับสมมติจึงว่าอย่างปัญญาตัวนี้เจือปนอยู่ด้วยอาวิชา ยานปัญญาตัวนี้เจือปนอยู่ด้วยสมถกรรมาฐานใครรู้อย่างนี้ให้ว่าตัวเองยังไม่ได้จเจริญนิพพานล้วนๆตัวเองยังมีกรรมาฐานกับวิปปัสตนาปนกันไปแย่งยกันไม่ไดไ้เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเรารู้จากอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นนิพพานาแล้ว อ, อาการเกิดดับจึงจะปรากฏขึ้นมาให้เรารู้อาการเกิดดับนั้นอาจจะมาเข้าใจอย่างนี้เดินไปเดินกลับมา พอดีผ้าเนี่ยมันลุดไปหมดเลยแต่ผ้าไม่ได้หลุดแต่มันเบาขึ้นมาทั้งหมดเลยตอนเสาก็ไปสะดุกที่เราเคยพูดเคยสอนกันว่ า, าพระพุทธเจ้าตัดผมข้งเดียวเห็ยนยาวาคาสองข้อมือเนี่ยวีทั้งนี้ก็ไม่ไปท่งนี้มันตั้งอยู่ตามสมบัตสภาพของมันเลยนะยันน่ะอันนี้ไม่รู้อาจจะมาไหมพอดีอาจจะมาเป็นอาจจะมาโอ เอาเสื้อกในร่อนมาพูกไวต้ตรงนั้นตรงนี้ตัดปุ๊บตรงกลางได้มันเข้าสู่สภาพเดิมของมันแล้วกายของเราในรูปของเรามันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆใจของเรามันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆที่ว่าไม่สั้นไม่ยาวไม่ลึกไม่ตื้นไม่ขาวไม่ดับจะพูดยังไงได้ทางนั้น น, นี่รวมจุดนี้แหละถ้าหากเราเป็นอยางนั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าถึงแกนแท้ คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนใดยังไม่เข้าถึงจุดนี้แสดงว่าจะมีสมถะกรรมฐานเจือปนไปพอดีอันนี้หมดไปแล้วมันจะมีควมพอใหญ่ปึ้มขึ้นมาจะเป็นริปรลาดจะเป็นปิดคมสุขล้นลวนจะลืมอารมณ์เลยแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ขันห้าอาจจะน่าสิบสองทาสิบแปดอินรียี่ิบสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่อารมณ์อันนี้นะอารมณ์ที่อาจมาพูดเนี่ยพอดีอาจมามีคมสุ ก็ไปมองถึงอารมณ์ที่เจ้าของกําลังจิตใจจะหลุดพ้นออกจากกันเนี่ยลืมเลยโอ๊ยไม่ได้เลยเขาเลยขับควนอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยพอดีทวนอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์มันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเข้ามัน่คนคงเข้าเป็นหลักเป็นฐานอารมณ์รูปนามอารมณ์ปรามัตอารมณ์สมมุติอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนมาความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีคนคนนั้นจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีทุกข์ คนคนนั้นอยู่เหนือโลกกินเข้าได้แต่ไม่ไช่หอะอยู่คือนกเนี่ยจะอยู่ด้วยโลกแต่คนนั้นแสดง ว, ว่าอยู่เหนือโลกไม่ติดคําพูดเขาย่องยอสนเสริญโลกมันมียองกันมีลินทากันจะไม่ยึดไม่ถือควมสมและควมต่ำนี้เขา ว, ว่าอยู่เหนือโลกคนคนนั้นอยู่กับโลกแสดงว่าอยู่เหนือโลกท่านว่าอย่างนั้นอาตมาได้ว่าอยู่เหนือโลกใช่เหตุหต้านเหตุเรื่องหอะคือนกเข้าใจอย่างนั้นจริง ความเข้าใจของบุถุชนกับความเข้าใจผู้ที่รู้ธรรมะมันไม่ตรงกันดังนั้นการพูดธรรมะต้องพูดความจรงิงเพราะทุกคนต้องการความจรงิงแต่ขอย้ำอีกคำหนึ่งขอย้ำอีกคำหนึ่งเพราะคำนี้มันเป็นคำสุดท้ายที่อาจจะมาไปพูดที่ไหนก่อนต้องพูดอย่างทุกคนต้องตายแน่แต่คงได้ยินมามากแล้วนี่ การที่จะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความมืดหรือจะตายด้วยความแจ้งเราจะตายด้วยความหลับตาหรือจะตายด้วยความลืนตานี่แต่เมื่อเรารู้แล้วเราตายไปด้วยการเห็นแจ้งเราตายไปเนี่ยเราเดินไปด้วยความสว่างสวัยเดินไปทางไปกลางวันถ้าเราไม่รู้อันนี้แต่ก็ต้องเป็นเหมือนตายไปด้วยความมืดตายไปด้วยความไม่รู้ตายไปด้วยความหลงผิด ให้เขา้าใจยนตายคืออะไรคนทุกคนต้องตายแน่แต่ว่าอันนี้ต้องปรากฏล่วงหน้าอย่างน้อยต้องสองนาทีหรือวินาทีรับรองว่าทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดข้าพเจ้าเรียกว่าสัจจะของจริงจริงจริงจริงหนึ่งตายสองต้องประสบอันนี้สามควรมเป็นคน ขมเป็นเทวดาขมเป็นพระยาบุคคลหนึ่งสามสี่อันนี้จะเป็นวงจรหมุนก็ อ, อยู่อย่างนี้จะรู้จย่างกันนี้ถ้าหักพิษไปจากนี้แร้แต่าผมรู้ไม่ตรงกับการทําบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีงก็ดีจะามารวมอันนี้ถ้าทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการสร้างมหากริ้งเป็นการสร้างมหากอษณอย่างไงหลวงถ้าหากไม่ทําอันนี้มหารกริ้รงก็เป็นได้มหากอษณก็เป็นยังไม่เป็นอันนี้ แต่อันนี้เหมือนฟ้ากับดินมันจะกลัวมันก็อยู่เสมอดังนั้นทุกคนมีแล้วทุกคนยกเว้นไม่ได้ดังนั้นจึงว่าสัตทั้งหลายพรจ้าว่าเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงกระเพิดปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่ตัวอย่างนี้ก็จะหาว่าอ ว, าวาดดีไม่คนมีดีแล้วเจ้ามาว่าให้ฟังคนมีดีแล้วมาว่าให้ฟังเท่านั้นเอง ถ้าหักปฏิบัติอย่างนี้อาจจะมารับรองได้กำลาบอกว่าเจ็ดปีจะเิญ ส, ส, สี่ประธานสี่ให้ถูกต้องและติดต่อกันไว้ลูกโซ่อาัตามาจะขอร้อให้ทําจริงๆนะสามปีถ้าพลาดแล้วจะมาเจา้าซีตเป็นเดิมพันธ์อาัตามาตมีความสามารถอย่างนี้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าสงคงแดงเขาได้แต่ให้เป็นคนจริงนะไม่ได้มาเดินจงโกนกะสวนกูเป็นยังไงเนาะลูกไปเบิ่งไหมงอขวอยกินผับกินง่าย มดุดย้ำให้ไม่ได้อย่างนั้นให้มันรู้สึกจริงๆเนี่ยอันนี้รับรองได้สามปีอย่างงานอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอันนี้สงไม่ต้องห่วเลยความทุกข์เมื่อไจะลดน้อยแต่ความสุขจะแมกขึ้นมาแทนความเป็นสัตว์ดีละสามอยางหมดไปความเป็นคนจะขึ้นมาแทนไม่อื่นไกลเลยอาตมาพุ่นเนี่ยทุกคนทําได้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆแล้วต้องแน่นอน ทำจริงๆต้องแน่นอนถ้าคนใดมีศรัทธาเข้มแข็งจะเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มจะแตกตอกกอกผลมาทันทีให้เราเห็นถ้าจะสมมุติขึ้นมาบบบนี้ถ้าไม่เอาไปปลูกไปเพาะนะเอาไปเข้าวลงสีถ้าข้าวอ้วนข้าวเต็มไปสีก็เป็นข้าวทีหนึ่งออกมาขายราคาพอดีถ้าข้าวผอมไปสีอยากหักครึ่งหักกลางเป็นข้าวทีสองออกมาขายราคาก็ไม่แพงคนรู้ธรรมะแล้วเนี่ยไปยุตที่ไหนก่อ ไม่เดือดร้อนจะได้พูดของจริงเพราะคนทุกคนต้องการความจริงอยู่แล้วจํานวนคนพันคนมีคนเดียวฟังก็ย่างดีสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตัตตะลุกออกไปแสดงธรรมให้พวกปัญจวัคคีทั้งห้าคนฟังห้าคนฟังคนเดียวซี่คนยังไม่เข้าใจเพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็ความตั้งใจญาติเดียวก็เช่นเดียวกันเด็กพระสองฆอกจา ก, ก็เช่นเดียวกันความตั้งใจเนี่ย อยู่ที่ไหนมั่นคงคว่ำซ้ำเด็กเขาอยู่ที่ไหนดันงนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านว่าเป็นของยากเนื้อจะคบหาสมาคมกับสัต้บุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงนั้นเป็นการหาได้ยากท่านว่าอย่างนั้นเมื่อพบหากับสต้บุรุษบุคคลผู้ที่รู้นเนี่นเยเรารู้ท่านแล้ว ธรรมะของท่านก็เป็นการฟังได้โดยยากอันนี้แหละการครบหาสมาคมกัสตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้ไปคบท่านแล้วก็ยังไม่รู้ท่านอีกด้วยอุปการีวกคนนี้สแสวงหาพระพุทธเจ้าแสวงหาผู้ที่รู้ธรรมะผู้ที่รู้โมกะธรรมจริงๆเมื่อไปพบแล้วก็ยังไม่รู้จักอีกแล้วแบบนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้ฟัง ฟังธรรมะท่านผู้ท่านสอนก็ไม่เข้าใจอีกแล้วเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองเราไปยึดมั่นถือมั่นเรียว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอุปสรรคต่อการตัดสรลุเป็นอุปสรรค ต, ต, ต่อการเข้าใจธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น มันคิดเล่าให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมะจึงปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เราเคยได้ยินบ้างไหมแต่ทุกคนผมว่าคงจะได้ยินได้ฟังไม่มากก็ น, น้อยแต่จะจดจํานั้นหรือไม่จดจํานั้นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตูดกลางดินตะลูกลางดินแสดงธรรมกลางดิน นิพพานก็กลางดินท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะกันที่นี่ก็อยู่กลางดินนอนกลางดินกินอาหารนั่งพื้นดินกันบางคนก็มีผ้าปูนัง่งบางคนก็นั่งเสือ่อนั่งศาสตร์กันบางคนบางคนก็นั่งสบายสบายนีเรียกว่าอยู่อย่างต่า กินอย่างตำ่ำนั่งนอนอย่างตำ่ำแต่มุ่งหวังทำงานอย่างสูงคือการปฏิบัติธรรมทางจิตใจเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างสูงดูที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้เดินก็ได้พระพุทธเจ้าท่าสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิรยิยุบรทั้งสี่ ยืนเดินด น, นั่ง น, นอนเรียกว่าอิริยาบถทั้งสี่ท่านว่าให้มีสติรู้แต่เท่านั้นกน็ยังไม่พอท่านสอนย้ําเข้าไปอีกว่าให้มีสติกําหนึร่รู้ในอิริยาบถ ย, ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามท่านว่าอย่างนั้น